ยลพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นความจริงที่มีคุณมีประโยชน์ กับชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่รู้เรื่องของบุญของบาปไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเมาเวียนไหวตายเกิดกันได้อย่างไรเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจริงหรือไม่ของพวกนี้เป็นของที่พวกเรายังไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะตอนนี้ใจของพวกเราซึ่งเป็นตาในถูกความมืดบอดคือความหลง ความโงกเราเบาปัญญาหู้มหอปวกปิดทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ตานอกคือตาของร่างกายเห็นได้เราจึงต้องเชื่อคนที่มีตาในตาทิพตตาที่เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นภพชาติต่างๆ ของสัตว์ที่ทําบุญทําบาปแล้วก็ไปรับผลของผลของบุญผลบาปผู้ที่สร้างบุญสร้างบาปนี้คือพวกเราพวกเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนใช้ของพวกเราที่รับคําสั่งจากเราให้เราไปทํา บุญทำบาป ก, กันแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปเราคือผู้รู้ผู้คิดไม่มีรูปร่างจึงต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำกันนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็น เรามองไม่เห็นตัวแท้จริงของเราเรากลับไปเห็นคนรับใช้เราคือร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปหลงดูแลรักษาคนรับใช้อย่างดีโดยที่ปล่อยให้ตัวเรานี้ไม่ได้รับการดูแลมีแต่ได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขกัน ส่วนใหญ่เราจะมีความทุกข์กันและเราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรและไม่รู้วิธีจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมากับใจของพวกเราแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้เรื่องของเรารู้เรื่องของความสุขของเราว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร รู้เรื่องของความทุกข์ของพวกเราว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ว่าเวลาเราทำบุญแล้วเราจะได้รับผลอะไรเวลาเราทำบาปแล้วเราจะรับผลอะไรหลังจากที่เราตายไปแล้วเราสูญหายไปกับร่างกายหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ได้ เราเลยต้องอาศัยคนที่รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เวลาที่เราเกล่าวคาพุทธทังธรรมังสังขังสระนังกฉามิความหมายก็คือเราเป็นคนตาบอดเราต้องอาศัยคนตาดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นคนบอกทางเป็นคนนำทางให้แก่เราเหมือนกับคนตาบอดจะไปไหนมาไหนถ้าไม่มีคนตาดีพาไปก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ต้องมีคนคอยบอกทางพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่เห็นทาง ที่จะพาเราไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่จะให้เราอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขเราเลยต้องอาศัยคนที่เดินทางไปถึงบ้านแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายท่านได้เดินทางไปถึงบ้าน ที่ปลอดภัยที่มีแต่ความสุขบ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีวันหมดเหมือนกับบ้านที่เราอยู่กันในขณะนี้คือร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนบ้านของเราที่เราเอาศัยอยู่อาศัยใช้มันทำอะไรต่างๆให้กับเราเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องตายไป พอตายไปเราก็ต้องออกเดินทางเพราะเราไม่มีบ้านอยู่อาศัยเราก็ไปสู่บ้านใหม่บ้านใหม่ของเราก็อยู่ที่การกระทาของเราว่าเราทำอะไรกันถ้าเราทำบุญเราก็ได้สวรรค์เป็นบ้านลำดับต่อไปถ้าเราทำบาปเราก็จะได้อบายเป็นบ้านของเรา แล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็หมดบุญที่เราส่งให้เราไปอยู่ในสวรรค์พอบุญหมดเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่มาได้บ้านใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอันใหม่เช่นเดียวกับเวลาที่เราตายไปแล้วบาปพาเราไปถ้าเราทำบาป บาปก็จะพาให้เราไปได้ร่างกายของเดรัจฉานให้เราได้ไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายให้เราไปตกนรกกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่เรากระทำไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีบุญมีบาปเป็นของของตนจะทำบุญหรือทำบา จะต้องเป็นผู้รับผลบุญของบาปนั้นนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายแต่เป็นผู้ที่กำลังฟังเสียงธรรมะอยู่นี่ผู้ที่กำลังฟังผู้ที่กำลังรู้ว่ากำลังฟังอะไรนี่ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงแล้วส่งไปให้ผู้รู้ผู้คิดอีกทอดหนึ่งผู้รู้ผู้คิดนี้ก็คือพวกเรานี่แหละพวกเราเป็นผู้คิดผู้รู้แล้วเราก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรตามความคิดของเราส่วนใหญ่เราจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเพราะเราถูก อำนาจของความหลงหลอกให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราคิดว่าทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขกันเช่นหลอกให้เราไปดื่มสุราหลอกให้เราไปเล่นการพนันหลอกให้เราไปเที่ยวกลางคืนอันนี้เป็นความหลงที่เป็นการไปหาความทุกข์กัน เพราะการดื่มสุราหรือการเล่นการพนันหรือการเที่ยวการ น, นี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีรายได้แต่จะเป็นวิธีทำให้เราสูญเสียข้าวของเงินทองของเราไปเมื่อเราใช้ไปเดี๋ยวมันหมดเราก็ต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเราเที่ยวเราดื่มสุราเล่นการพนัน เราก็จะไม่มีงานทำไม่มีรายได้ถ้าเราต้องการเงินทองเราก็ต้องไปทำบาปกันไปโกหกไปเลาะล่อลวงหลอกลวงไปลักทรัพย์ของผู้อื่น mm hmm. พอทำบาปแล้วใจก็จะกลายพัน์จากความเป็นมนุษย์กลายไปเป็นเลระชานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นนรก บ, บ้างในขณะที่ร่างกายนี้ยังมีอยู่แต่ใจนี้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนฐานะจากความเป็นมนุษย์เพราะได้ทำบาปไว้บาปนี้จะทำให้ใจนี้เปลี่ยนไปทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายนี้ตายไปแล้วการทำบาปก็จะทำให้เราร้อน อ, อกร้อนใจมีความทุกข์ ทำบาสมากๆก็จะร้อนมากทุกมากถ้าบาปมากก็เป็นนรกถ้าบาปยังไม่มากก็เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานความทุกข์ไม่ไม่มากเท่ากับนรกแล้วจนพอเวลาเราตายไปใจของเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำทันทีบางทีก็ไปได้ร่างกายของแมวของสุนัข บางทีก็ไปเป็นเปรตเปรตนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มีความรู้สึกหิวโหยหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีอาหารอาหารของใจนีคือบุญถ้ามัวแต่ทำบาปมัวแต่เล่นการพนันมัวแต่เที่ยวมัวแต่ดื่มสุรายาเมาจะไม่มีเวลาไปทำบุญ จะไม่มีเงินไปทำบุญพอตายไปก็เลยหิวเพราะไม่มีบุญติดตัวไปถ้าหิวก็กลายเป็นเปรตไปถ้าไปทำบาปถึงกับทำร้ายฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาเวลาฆ่าคนอื่น น, นนี้ใจจะร้อยใจจะไม่เย็น ใจจะวุ่นวายใจจะวิตกกังวลนี่คือนรกนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจที่เป็นไปตามบุญตามบาปที่ทาไว้ทำบาปใจก็ร้อนขึ้นมาร้อนในระดับเดลฉานกนไปได้ร่างกายของเดลฉานถ้าร้อนระดับเปรตก็เป็นเปรตโดยไม่ต้องมีร่างกาย ถ้าร้อนระดับนรกก็เหมือนกันตกนรกทั้งเป็นอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปแต่ถ้าทำบุญนี้ใจจะเย็นใจจะมีความสุขใจจะมีความอิ่มเหมือนกับได้ไปรับประทานอาหารและได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่คือความสวรรค์ สวรรค์นี้ก็อยู่ในใจไม่ได้เป็นสถานที่เป็นเป็นใจที่เกิดความสุขขึ้นมาจากการที่เราได้ทำบุญกันเวลานอนหลับเราก็จะฝันดีฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้แหละคือใจของเราเป็นผู้สร้างสวรรค์ขึ้นมาเป็นผู้เนรมิตสวรรค์ เนรมิตเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันร้ายก็บาปนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราฝันร้ายกันเราเคยไปฆ่าคนเราเคยไปทําร้ายผู้อื่นเราเคยไปกานแก้งผู้อื่นไปทําร้ายไปสร้างความเสียหายกับผู้อื่นพอเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันว่าเราถูกคนอื่นมาฆ่าเราถูกคนอื่นมาทำร้ายเรา อันนี้เป็นนรกขึ้นมาภายในใจนรกไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่ใต้ดินสวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้าถ้าเราจะหานรกด้วยการขุดดินลงไปเราจะไม่เจอนรกถ้าเราจะหาสวรรค์ด้วยการนั่งจรวดขึ้นไปบนอวากาศก็จะไม่เจอสวรรค์เพราะที่ตั้งของสวรรค์นรกไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใต้ดินหรืออยู่บนอวากาศ แต่อยู่ในใจของเราถ้าเราสังเกตดูมองใจของเราเราจะเห็นใจของเราขึ้นขึ้นลงลงบางวันก็เย็นมีความสุขวันนั้นเพราะเราทำความดีเราก็เย็นมีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาพอวันไหนเราทำบาปใจของเราก็ร้อนมีความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือนรกสวรรค์ ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองเกิดจากบุญจากบาปที่เราทำไว้และเกิดตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วพอเวลาเราตายเราก็จะต้องไปรับต่อเพราะนารกหรือสวรรค์นี้ยังไม่หมดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาป ใจของเราก็จะได้ไปสวรรค์ก่อนไปรับผลของบุญที่เราทําไว้ก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญเราก็จะไปรับผลบาปก่อนพอบาปกับบุญมีกําลังเท่ากันอยู่ในอบายไม่ได้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาทําบุญทําบาปกันใหม่แล้วพอตายไป ถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์เราทำอยู่อย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆอย่างเป็นเวลาอันยาวนานและจะทำอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปอบายต้องไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้เราก็ต้องทำตามที่พุทธเจ้าได้ทรงกระทำ ก็คือต้องมาหยุดตัวที่ฉุดให้เรากลับมาเกิดชัวที่ฉุดให้เราไปทำบุญทำบาปกต่างตัวที่ฉุดลากให้เราไปทำบุญทำบาป ก, ก็คือความอยากต่างๆนี้เองความอยากนี้มันจะทำให้เราอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอเราไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีที่ถูกเราก็ไปทำบาป ก, กัน หามาด้วยการฆ่าบ้างด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเวณีด้วยการพูดปดโกหกหลอกลวงนี่แหละคือตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าต้องไปบวชต้องไปสู้ไปสู้กับความอยาก ด้วยการไปรักษาศีลรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี่สู้ไม่ได้ต้องมีศีลแปถึงจะสู้กับความอยากได้แล้วก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจจะสงบก็ต้องมีสติสติก็คือคาบริกรรมพุทโธพุทโธให้เราท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พอคิดแล้วจะทำให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจแล้วจะทำให้เราต้องไปทำกรรมทำบาปทำกรรมต่อไปถ้าเราไม่คิดเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธเราก็จะไม่คิดไม่ได้คิดถึงสิทธิ์ต่างๆไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆเราก็จะไม่มีความอยากความอยากก็จะสงบตัวลง ใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขนี่คือวิธีตัดความอยากต่า ง, ต, างตัดด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ตัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความอยาก3ามอย่างคือความอยากรูปเสียงกลิกก่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวย ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ยากจนความอยากเหล่านี้สามอยา่างนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันเวลาที่เราเกิดความอยากเหล่านี้แล้วก็ต้องหยุดมันหยุดมันด้วยการไม่ทําตามอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะไปมีแฟนก็ไม่ไปเพราะถ้าไปแล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่า พอได้อะไรมาแล้วความอยากมันจะไม่หมดไปมันกลับจะมีเพิ่มขึ้นอีกพอเสียแฟนไปก็อยากจะได้แฟนใหม่ถ้าตายไปก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่กลับมามีแฟนใหม่กลับมามีเงินมีทองใหม่ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เน้นต้องหยุดความอยากสามอยา่างนี้ความอยากในลูกเสียงลินลด เช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรโดยที่ไม่จําเป็นถ้ารับประทานหรือเดือด ด, ด้วยความจําเป็นนี้ไม่เป็นไรเช่นเมื่อถึงเวลากินข้าวก็กินเมื่อถึงเวลาหิวน้ําก็ดื่มได้แต่อย่าไปดื่มน้ําที่มีรสมีกลิ่นมีสีเพราะมันจะเป็นความอยากทําให้เราติดกลิ่น ต, ติดสีของรสเช่นรสของกาแฟเ ถ้าหิวน้ำก็กินน้ำเปล่าๆไม่ต้องกินกาแฟเพราะว่ากินแล้วมันจะติดแล้วมันจะต้องกลับมากินอยู่เรื่อยอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมากินใหม่นี่คือความอยากสามอย่างที่เราต้องหยุดอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้ลาบยศสารเสญแล้ว ข้อที่สามก็คือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปความอยากไม่สูญเสียร่างกายไปความอยากสามอยา่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเราต้องหยุดมันถ้าไม่หยุดมันเดี๋ยวมันจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่ส่วนความอยากที่ดีนี้เราทำได้เช่นอยากจะทำบุญนี้เป็นความอยากที่ดีความอยากจะรักษาศีลความอยากจะบวช ความอยากจะไปอยู่วัดความอยากนั่งสมาธิความอยากฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่ดีทําได้ทําแล้วจะทําให้เราฉลาดจะทําให้เราเห็นว่าความอยากนี้แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราต้องทํา ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บไม่ตายแล้วพอตายไปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปไปต่างโลกบ้างไปสวรรค์บ้างเราก็ต้องทำสามอย่างอย่างแรกก็คือต้องทำบุญอย่าไปทำบาปแล้วก็ให้มาถือศีลกันถือศีลนับบวชไปบวชชีบวชพราหมณ์กัน แล้วก็ไปนั่งสมาธิฝึกพุทธโธพุทธโธหยุดความคิดพอความคิดหยุดใจก็จะมีความสุขแล้วพอใจเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็บอกห้ามมันว่าอย่าทำทำแล้วก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาทำใหม่เวลาอยากได้ลาบยศสารเสริญก็เหมือนกันก็อย่าไปทำเวลาอยากมีแฟนก็อย่าไปมี ก็มีแนละเดี๋ยวก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆแฟนคนนี้จากเราไปก็ต้องหาแฟนคนใหม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มามีแฟนใหม่กันนะเห็นไหมพวกเราเวลามาเกิดนี้มีใครสอนให้เรามีแฟนเงีนนะ้ยไหมไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมเพราะมันอยากมันเคยมีมันเคยอยากพอมันกลับมาเกิดมันก็อยากมีแฟนมันก็อยากเที่ยวอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายตายไปแต่ใจไม่ได้ตายความอยากที่อยู่ในใจก็ไม่ได้ตายมันก็เลยพาพวกเรากลับมาอยากกันใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันมาตายกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคาสอนพบกับพระอริยสงสาร แล้วทําตามที่ท่านสอนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเราจะได้ไปถึงบ้านที่แท้จริงของเราคือพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือใจของเราที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้กำจัดความอยากที่ไม่ดีทั้งสารตัวให้หมดไปแล้วใจก็จะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายใจจะมีแต่ความสุข จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเชื่อกันแล้วพยายามปฏิบัติกันให้ได้พวกเราทุกคนนี้สามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนเพราะเรากับพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเรากับพระ อ, อริยสงสากก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อก่อนท่านก็มีความอยากมีกิเลสเหมือนกันแต่ท่านมีความเชื่อในความ ในโทษของความอยากเชื่อว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันท่านก็เลยพยายามต่อสู้กับมันจนในที่สุดท่านก็ชนะมันได้พวกเราก็จะชนะมันได้เช่นเดียวกันถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีอะไรที่สุดวิสัยสำหรับพวกเราสิ่งที่สุดวิสัยก็คือความขี้เกียจเท่านั้นเอง ความกลัวความกลัวความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการไปปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่กลัวเราไม่ขี้เกียจแล้วรับรองได้ว่าเราจะชนะความอยากได้เราจะหลุดพ้นจากการเวทว่ายตายเกิดได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่กลัวความทุกข์ยากลำบาก ท, ท่านไม่มีความเกียจคา้านท่านถึงเอาชนะ ความยากต่างๆได้พวกเราก็จะชนะได้เช่นเดียวกันจึงขอให้พวกเราพยายามน้อมเอาคำสอนของพ่อพระเจ้ามาปฏิบัติเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ไปก่อนสิ่งไหนที่ยังทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปทำทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วต่อไปก็จะทำได้มากขึ้นมากขึ้นไปเอง แล้วในที่สุดก็จะทำได้สำเร็จได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตน์ใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แคข้าตปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเอ